ที่นี้ทำยังไงว่าคนทั้งหลายจะมีความเข้าใจว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่สูงสุดอย่างแท้จริงเนี่ยนะที่ที่คนจะเห็นประโยชน์ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะไม่มีอะไรที่คนจะทําไม่ได้ขอให้เห็นประโยชน์แต่นะก็แม้กระทั่งอะไรนะพวกเล่นหู้นเนี่ยนะก็บอกว่าโหดูตาแทบไม่กระพริบเลยนะติดตามใจจดใจจ่อตลอดเลยนะบอกว่าแม้ถ้าต้องอริยสัจนะถ้าคิดเรื่องทุกโหนี้ทุกนี้สมุทัยนะ อืมถ้าติดตามเรื่องขนาดนี้นะบรรลุแน่นอนนะนะจะได้อ น, นิสงมากกว่านั้นแล้วก็มีแต่รวยอย่างเดียวด้วยไม่มีจนเนะื่องไม่มีแจ๊งไม่มีขาดทุนดีอย่างเดียวนะแต่ว่าสําคัญว่าคนไม่เห็นคุณค่าจริงๆอันนะถ้าเห็นคุณค่านี้ใครก็ภาคเพียนละว่างันมเงินเงินทั้งนั้นแหละนะ คือ <Yeah. S 1> คือซัพเนี่ยนะเราให้ค่ากับซัพ์ที่เป็นแก้วแหวนเงินทองมากจริงๆแล้วพวกกรัพนะก็มีอันตรายนะอันตรายของโภกกรัพั์ภายนอกอนะแก้วแหวนเงินทองรัพ์สินทั่วไปเนี่ยเป็นของสาธารณะต่อหนึ่งไฟนี่นะเป็นของสาธารณะต่อไฟเป็นของสาธารณะต่อน้ำเนี่ยนะเป็นของสาธารณะต่อลม เป็นของสาธารณะต่อโจรเป็นของสาธารณะต่อพระราชาชั่วเนี่ยนะคือคือเป็นสาธารณะคือพระราชาบางองค์ริบได้ใช่หสา ม, มารถที่จะริบสา ม, มารถที่จะยึดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสาธารณะแต่อริยทรัพย์คือศรัทธามีริโอตปะศินสุตะจาระปัญญาสิ่งเหล่านี้นเป็นทรัพย์ที่ไม่สาธารณะกับใครเลยเนี่ยนะคือเป็นเป็นของส่วนตัวแล้วก็ติดตาม ตลอดไปเนี่ยนะซึ่งถ้าทรัพย์อันนั้นถ้ามีมากก็ติดตามเหมือนอะไรอริยทรัพย์ติดตามบุคคลเหล่านั้นเหมือนอะไรเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะเหมือนเงาติดตามตัวแต่ถ้าทําบาปล่ะไม่เงาหรอกล้อกวียนอ่ะนะที่ขนพาระหนักๆมันหมุนไปตามรอยเท้าโคอ่ะมันเป็นแบบนั้นนะมันหนักอึ้งไปเลยนะ ฟังเรื่องการฟังพระธรรมเทศนาสมัยพุทธกาลทีไลนะถึงเช้าทุกทีเนี่โอ้ทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังนึกภาพไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าเปรียบกับสมัยนี้แล้วห่างไกลกันมากเลยนะอรัเ<น>มื่อวานดูถึงนันทกะสูตรชื่อนันทกะสูตรอังคุตรนิกาย น, นาวกะนิบาพระพุทธเจ้ายืนฟังเทศทั้งคืน เนี่ยนะคือพระองค์ก็เขาก็สมัยสมยัยพุทธกาลก็จะมีวาระเปลี่ยนวาระมาเทศคือคนธรรมะาธรรมดาไม่มีโอกาสและส่วนใหญ่ก็เ ป, ป็นผ้ารหัสนั้นที่เวียนกันมาเทศเนี่ยนะพันสาเกินสิบแล้วเกินสิบยี่บสาสพันสานี่ยแหละทั้งนั้นเลยที่เวียนขึ้นมาเทศอย่างพระนันทากะนี่ก็ปฏิสามพิธาอยู่แล้วเนี่ยนะพระนันทกะก็เทศพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงเทศเอ๊ะใครนะเทศเพราะจังก็ถามพระอนุน ที่จริงพระองค์ก็รู้อยู่แล้วล่ะก็บอกพระนันทกะเทศพระเจ้าค่ะพอพระผู้มีพระภาคก็ลุกขึ้นแต่งตัวเลยเดินไปใกล้แล้วไปยืนฟังนะนะปฐมมยามผ่านไปพานนท์บอกว่าตอนนี้เลยปฐมมยามแล้วนิมนต์พักผ่อนเถอพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เงียบนั่งยืนฟังไมอีกมัชชิมยามล่วงไปแล้วพระเจ้าค่ะก็ยืนฟังไปนั้นจนสว่างเนะนะสว่างพระองค์ก็ ก็ก็เลิกเทศเอธรรมวโรจะแระจบ น, นะพ่ะองค์ก็เข้าไปเอเธอเทศดีมากนะนุนมโมทนาเห็นไหนุมโมทนาแล้วพ่อองค์ก็แสดงธรรมอีกหน่อยแล้วพ่อองค์ก็กลับไปเห็นไหมก็ยืนฟังทั้งคืนเลยคืนนั้นเห็นไหมเพราะนั้นพูดถึงความเคารพธรรมแม้แต่พระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้ที่มีความเคารพธรรมเนี่ยมากเนี่ยนะอย่างหลายๆแห่งที่พูดถึงความเคารพโดยเฉพาะเคารพธรรมเนี่ยนะถ้าอย่างพระพิสุสนทนาธรรมกันอยู่เนี่ย ถ้าพระ อ, องค์ไปนะพระ อ, องค์จะยืนให้เขาให้เขาคุยกันจนจบแล้วค่อยเข้าไปเนี่ยนะเว้นแต่เดราัฉานกถาอาจจะเข้าไปในระหว่างไปถึงก็อ้าวเธอกํากลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอยู่หรืออย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นเข้ากําลังสนทนาธรรมฟังทำนะจะไม่ไม่เข้าไปจะยืนฟังตลอดเนี่ยนะแต่เวลายืนฟังนี่พระ อ, องค์จะไม่ยืนแบบด้วยพุทธานุภาพเปล่งรัศมีเป็นทำตัวเด่นนะไม่จะปกปิดเหมือนกับพิสูรรูปหนึ่งเท่า น, นั้นเอง คนไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้านะัยืนอยู่ฟังธรรมอยู่ตรงนั้นก็ยืนฟังทั้งคืนเนี่ยนะมันสมัยก่อนเขาก็มีความสุขกับการฟังธรรมนะเขาเขาปีติสมนัติปรามโมทย์มากก็อย่างที่ว่าบางเรื่องก็เขาฟังธรรมทั้งคืนนะนะพรามสองคนนะพราหม์จูเลกาสาดกคือคําว่าก็มาจากคําว่าจูละก็คือเปรียบเทียบกับมหาอนะอดีตชาติพระมหากสปะเป็นพราหมณ์เอกาสาดก อันนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเรียกว่ามห า, าเอกาศาดกนอันนี้พราหมณ์นี้ก็เล็กหน่อยก็เรียกจูเลกะสาดกก็เอกาศาดกสาดกแปล ว, ว่าผ้าเอกาก็ผืนเดียวคือครอบครัวนี้มีผ้าอยู่สามผืนน่ยนะว่าเต็มเต็มเมียผืนหนึ่งผัวผืนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ห่มออกนอกบ้านผืนเดียวคือถ้าเมียหม่มผัวก็อยู่บ้านถ้าผัวหอมเมียก็อยู่บ้านก็เปลี่ยนกันหอมทีนี้เขาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีเทศทั้ ง, ง, งวนันทั้งคืนบางธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะ ก็ปรึกษาเพาจะไปพร้อมกันไม่ได้เพราะผ้าห่มผืนเดียวจะไปห่มไปยังไงเขาเขาไม่ตัดผ้านะสมัยก่อนแล้วก็เอามาห่มเอาเสร็จแล้วพอเปิดผัวเมียก็ปรึกษากันว่าเออนี่เขาจะมีฟังเทตกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราไปพร้อมกันก็ไม่ได้เธอจะเลือกไปกลางคืนหรือกลางวันเมียก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขอไปกลางวันก็แล้วกันก็ห่มผ้าไปานะพอตกเย็นก็กลับมาใช่ไหมผัวห่วมไปบ้างานะ นะไม่ทำได้ซักเลยนะก็ของเรานี่แหมสุดดูสะอาดมาก่อชาเออืไม่ทันได้ไม่ทันได้เหงื่อออ ก, กอ น, นะสร็จแล้วพอฟังสามีก็ไปฟังทมวันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเองพอเทศ ขอบเทพไปกะปีติมากเลยนะฟังทำเนี่ ย, รรยโอ้โหปีติมากแม้เอาอะไรบูชาธรรมะดีนะมีแต่มีแต่ผ้าผืนเดียวเนี่ยสมบัติทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่ข้าอยู่เท่านี้แหละก็จะเอาไอผืนนี้ไปถวายพอคิดจะให้ทานเท่านั้นแหละนะรอบครอบเข้ามาเลยนะพูดแบบถ้าคนสมัยใหม่เขาเรียกเป็นความสุ ข, ขุมรอบครอบก็เกิดมาเลยแต่ถ้าสายธรรมะบอกมัชชัยยะทั้งนั้นแหละอะไรนะ ก็คือคือคือพูดแบบคิดแบบรอบคอบนะไอคือแบบสมัยใหม่เขาบอกว่านี่นะถ้าเราให้ทานไปแล้วเราจะออกจากบ้านได้ยังไงมันก็ออกไม่ได้แล้วเมียเราจะเอาอะไรห่มออกบ้านเนี่ยนะเราก็มีสมบัติอยู่เท่านี้ถ้าเราให้ไปเราจะเอาอะไรมาใช้ก็โหยคิดวิตกวิจาร์เนี่ยนะห่วงมากอะไร้าอย่าเพิ่งฟังเทศต่อเนี่ยนะคือมัชชริยะเกิดสำนวนว่าเกิดมาเป็นพันดวงอะนะก็บอกว่าอย่าอย่าให้เลยอย่างั้นเถอะเราก็ใช้เมียก็หอมอย่างเงี้ยนะก็เอาไว้ก่อน ก็ฟังเทศไปจนถึงมัชชิมยามแห่งราตรีปิติเกิดอย่างแรงอีกแม่จะเอาผ้านี่แหละบูชาไม่ได้ถ้าเราให้แล้วเมียจะเอาอะไรห่มออกบ้านนะกนะก็ฟังเทศต่อไปอีกพอสว่างมานะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็แล้วกัน น, นะทีนั้ไม่วิจารณ์ละกันบอกหมายรบกันมาทั้งคืนอยู่แล้วเจาว้ามัชชริยะมาเงี้นก็เลยเอาผ้าไปวางกับเทา้าพระพุทธเจา้าแล้วก็ประกาศเลยชีตังเมชีตังเมข้าพเจา้าชนะเร็ว ชนะแล้ววันนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ฟังเทศอยู่ด้วย mm hmm. พึ่งชนะพระเจ้าอาชาตศัตรูมาบอกไอ้ใครมาตร้องว่าชนะอะไรแถวนี้ mm hmm. ก็บอกไปถามดูที่เขาชนะอะไรก็บอกว่าพราหมณ์นี่ก็บอกคนอื่นเขาชนะเรื่องโน้นก็บอกชนะ น, นั้นเล็กน้อยแต่เขาเนี่ยชนะมัฉริยจิตอันนี้ชนะนี่ จ, ง จ, จึงอัศจรรย์เหมือนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยให้ผ้ามาใหญ่เลยนั mm ่นนะคือถ้าเทียบถึงสมัยก่อนแล้วเขาเขาฟังเทศกันทั้งคืนจริงๆโดยมากเขานิยมฟังเทศกันทั้งคืน แม้กระทั่งพระพิสุเหมือนกันนะอย่างพระอนุรุทธกิมพิละเนี่ยนะสองสามรูปอยู่ด้วยกันสามรูปเนี่ยจะฟังเทศกันสนทุกห้าวันปกติจะไม่คุยกันเลยปกตินะไม่คุยกันแต่ถ้าห้าวันจะคุยกันตั้งกับทั้งคืนแต่เขาก็ปิดกใดปิดกหนึ่งมาสนทนากันเนี่ยนะก็ก็มีความสุขมากของเราถึงเที่ยงคืนหรือเปล่านะั้นนักชักเอียงเอียงไปตั้งหลายรอบแล้วนะ เสาบั่งอะไรบั่งแล้วแต่เ น, นิร์ได้นะคือสมัยนี้ก็ยังมีหลายๆวัดที่อุบลก็มีที่กรุงเทพเอ่อนนทบุรีก็มีกรุงเทพก็น่าจะมีอยู่หลายวัดเหมางนงี้เฉพาะในเฉพาะวันพระนะเช่นเขาเทพสว่างเทศสว่างเขาก็เปลี่ยนวาระกันเทศอย่างสมมติ ว, วัดมีสิองค์เนี่ยนะหรือวัดยี่สองค์เขาจะองค์ละสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่าไป ก็เปลี่ยนวาระกันเทศไปเรืยองนี้ถึงตรงนี้องนี้ถึงตรงนั้นเห็นสมัยก่อนเด็กมีว่างนี่ผมไปนอนในโบสถ์แอเดียว่เปลี่ยนตัอง่นองนถ้าเขาเคยเปลี่ยนขึ้นมาที่แต่ว่าผมไม่ได้ฟังนะผมนอนไปหลับหลับกับเทศ สมัยสมัยนี้ก็มีอย่างชื่อชื่อวัดสังฆทานนะวัดสังฆทานง้ออาจารย์สนองที่ที่นนทบุรีใกล้ๆวัดอาจารย์พยอมมาวัดนั้นก็ฟังเทศทั้งคืนวัดหลวงพ่อชาก็ทั้งคืนยังไคุฟังไม่หลับเลคือก็ไอที่ฟังก็ฟังไปหลับก็หลับไปไอที่ง่วงก็ไปเดินจงกรมฟังเอาข้างล่างอะไรเงี้ยนะก็ก็ยังไงนะอะไรหรืะอืม เอา้าก็เปิดไฟมันก็มีมแมลงลงมามันก็กินอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นไอ้เอชื่อเชื่ อ, ไไอ่ถ้าบางแห่งนี่เป็นอย่างนั้นจริงเขามาเชื่ออยู่หรอกว่าไก่ไม่นอนเพราะว่าเปิดไฟสว่างมาแมลงมันลงมันก็ลงกินบ้างอะไรบ้างแ ต, แต่อย่างนั้นก็มีจิตตังเมย์กันเมียกันตังเมย์เลยใช่ไหมพี่กรุงเทพไหมแบบเดียวกันกับพี่รามจดุ นั <pulling me. S 1> ่นนะอันน <coarse momentum> <forward> ี <affili ates> ้เขาว่าเป็นไตขนะใช่ไหมใช่จริงๆเลยเนะเอาจริงเอาเรียนแบบเรียนแบบเราชนะแล้วไาไม่ฟ้องตังมีไปยาวเลยคนนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะก็ได้ช่องหน่อยไม่ได้เลยนะ ตีอริยศาสตร์แล้วไม่ต่อกันเลยช่วยต่อคํากันหน่อยมัไม่ตลอดคืนแน่แนนไม่ตลอดคืนคือไอ้เพอรเจอตลอดคืนเนี่ยใช่อ่ะนะนว่วากันไปเรื่อยถ้าคุยธรรมดานะตลอดคืนมีนะครับอ๋อมีเยอะใช่เดรัจฉ า, านกคาถากันคําคืนดึกๆอะไรเนี่ยมนีนะแต่ว่าธรรมะสนานากันได้เป็นเนื้อหาตลอดคืนนี่ไม่ค่อยได้ยิน ัานไหนพวกกลุ่มเราน่จาจะเอาสักทีนึงมันเป็นอุปนิสัยอยากกระเชื่อหีหรอกท่านเทศแล้วกันนะผมฟังเราไม่หลับเด็ดขาดเลย เ, เราเปลี่ย น, นกันคนลตสองอยอ่มองน <c oughs> <c oughs> ั่น <c oughs> นะขอแต <c oughs> <c oughs> ่ยิ่งหลับเร็วขึ้นเลยนะ <c oughs> เราวันจะเสนอฟังเทศตลอดคืนอย่างเดียวเลยนะอยอมยมกินก็กินไปลาทุกแม่คือที่ว่ามันดีแต่ว่าถ้าทำได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกลาทุแม้ืท่ว่ามันดีแต่ว่าถ้าทได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก ไม่มีคะแนนเสียง <c oughs> แต่หัวข้อต่อไปที่จะกล่าวนี่ค่อนข้างยาวนะเป็น <c oughs> มีอะไรมาสนทนากันบัางก็ได้นะอใครมีความรู้ไหมว่าสมัยพุทธกาลนั้นนะแควนอะับคานิสถารนี่ชื่อแคว้นเลยใครพอเดาได้ไหมแสดงว่ามีความเจริญทางพุทธศาสนาไปไม่น้อยทีเดียว ไม่งั้นไม่มี พ, พระพุทธรูปสลักบนเขาหน้าผาสูงใหญ่ขนาดนั้นภาการนิษฐานชุดแหวนนั้นเมื่อกี้ท่านบอกมามีอยู่สิบกว่าแหวนใช่ไหมฮะ1ิกว่าแวนใช่ไหมต้องต้องดูในหนังสือสบางอย่างเขาจะมีทำภาพไว้จำจาไม่ได้ละมีหนังสือที่ที่คุณหมอวันลบมีเล่ม น, นั้นน่าจะมีคือสมัยก่อนนี่ไม่ใช่เป็นอิสลามอิสลามเพิ่งมามีเนี่ยคือพุทธ เขามีนับง่ายๆว่าพุทธเกิด500ปีจึงมีคริสคริสเกิด500ปีจึงมีอิสลามเนี่ยนะก็จำไง่ายเนี่ยนะเพราะอิสลามเกิดหลังพันปีของพุทธศาสนาก็ก็พันเจ็ดร้อยปีนะอิสลามเกิดได้ประมาณเจ็ดร้อยปีแล้วจึงไปเผานารันธา ในระหว่างระหว่าง1ถึงพันเจ็้อนี่คงจะรุ่งเรืองคือรุ่งเรืองแต่ว่าความเสื่อมมันก็บางท่านก็บอกว่ามันก็สอเเขามาตั้งแต่พันปีแรกคือหลัง พ, พ, พ, ออพัฒพศพ0 0มาแล้วก็เริ่มเสื่อมมาเอยล่ะของนารันธานะแต่ก็มันก็ศูนย์รวมมันเรียนทุกเรื่องอยู่แล้วในนั้นน่ะโดยเฉพาะแต่ว่านารันธาที่รุ่งเรืองนี่ไม่ใช่เถรวา เทราวาสในสายอัตถกถาทั่วๆไปนี่น่าจะเริ่มศูนย์แล้พอประมาณพศเริ่มห้าร้อยนะแถวแถวห้าร้อยก็เริ่มจะหมดจากดินเดียแล้วเพราะว่าพศเก้าร้อยนี้พระพุทธโคส า, าจารย์ไม่มีอัตถกถาละเหลือแต่บาลีของของเทราวาสนะสมัยพุทธโรส า, าจารย์ก็พศก่อนพันใช่ไหม900เก้าร้อยเศษนิดหน่อยก็มีแต่บาลีอัตถกถานี้อยู่ที่ประเทศศรีลังกาอันไ ที่ศรีลังกาที่ยังเหลืออยู่คือเพราะเขาแปลลงเป็นภาษาศรีลังกาหมดแล้วจึงเหลือถ้าไม่แปลเป็นภาษาสิงหนหรือภาษาศรีลังกานะีหมดไปนานแล้วเนี่ยนะขาก็เาก็แปลไปก่อนเพราะใครจะไปเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะักกลมเอ่นเขาจะไปเปลี่ยน <c oughs> เพราะว่าอย่างของของมหายาณเองอ่ะนะถ้าเป็นโบราณก็รังเกียจเทราวาสค่อนข้างสูงมาก <c oughs> ก็รังเกียจ ของเขาก็สรรเสริญแต่เรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องอะไรเรื่องอะไรก็เท่าที่อ่านหนังสืออย่างหนังสือพระถังสำมัญญ์นะใครเคยอ่านนะมีชมภาษาดบุตรกี่แห่งที่ชมพระสารีบุตรกี่แห่งที่ชมพระอรหันต์ทั้งหลายนะที่เป็นสาวกนะเว้นแต่พระพุทธเจ้านะน้อยมากพระเดนสายจีนเขาจะคือเคารพอยู่องค์หนึ่งมหมพระหมหาการยนะอนะที่สร้างองค์ใหญ่ๆ mm hmm. ทั่วๆไปก็ไม่ได้ค่อยเคารพมากนะเ mm hmm. ขาเคารพพระโพธิสัตว์มากกว่าเนี่ยนะ มันก็คือเขาเขาจะเน้นเรื่องจะไปตรัสรู้ข้างหน้าอะไรข้างหน้าต่อๆไปนะเขาไม่ได้เน้นว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทําที่สุดแห่งกองทุกในในชาตินี้ได้อะไรได้หรือควรจะบรรลุโสดาบรรลก่อนอะไรก่อนก็ไม่มีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยนะเขาก็เลยดูถูกพวกที่ ป, ปฏิบัติจะให้พ้นจากทุกแบบนี้เรียกว่าพวกสาหินญาณเนี่ยนะคือเรียกว่ายาณเล็กยาณ น, น้อยอะ่ะพวกนี้แค่แค่ว่าเน้นเอาแต่ตัวรอดแบบนั้นเถอะ แต่ถ้าเขามีแนวความคิดแบบนั้นก็พวกมากอยู่แล้วถ้าใครที่มีแนวความคิดลักษณะนั้นเนี่ยกึ่งๆเทวันใครจะมีขนาดกระถางวันี้เราวันนี้ไหนจันเหนื่อยแล้วผมตองยังต้องมีผู้กันเอาเลยฮะก็ต่อไปมันยาวยังยาวอีก เวลาอีกนิดหน่อยก็ใครว่าก็เว่าเพะมีปัญหาอะรถามเลยนี่จ๊อนี่กปโลกะนี่แปลว่าทำลายโลกโลกแต่แปลแปลว่าทำลายเขาก็มีบางคนเสนอให้ดามาทําอย่างนี้ก็บอกว่าเวลาท่านบรรยายนะเหลือเวลาไว้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเอาไว้ถามกันบ้างคุยกันบ้างเหมือนกันเอามา่าก็แคสังเกตดูแค่เงียบไม่คยมีใครอยากถามเลยไม่รู้เป็นอะไร ขอให้น้นไปจุดไดหนึ่งในนั้นนะก็ก็นำมาแล้วก็มาพูดกันแล้วตอนจะแตกฉานจุดหนึ่หน่อยสาธุแต่ก็ทาอย่างนั้นแต่ไม่มีคนทาด้วยนะเอายางงี้นะว่านี่เอกสารเล่มนี้คุณมีใช่ไหมเนี่ยมีค่ะแล้วคุณเอาไปดูมาก่อนหรือเปล่านี่ที่จะมาคุยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องคุยเรื่องนี้ก็ว่าเป็นนั้น คุยด้วยไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้แจกไป ต, ตั้งกับร่วมจากตั้งกับก่อนเข้าพรรษาเนี่ยนะเพราะว่าไปแล้วไม่เห็นต่ออะไรสักบรรทัศเลยผม เ, เรื่มใส่ในในฉกาจฉกสูตรนะครับที่ที่ทานามาอามาสอนพวกผมเนี่ยว่ามันเป็นฝ่ายอารมณ์เป็นฝ่ายวัตถุแล้วก็เป็นวิญญาณเนี่ยนะฮะ เสร็จแล้วก็ลองมาเรียงดูว่าธรรมะที่ไหนควรกําหนดรู้นี่นะครับไล่ลงมานะฮะอันนี้ก็6กอายตนะภายนอกก็หอายตนะภายในยก็หวิญญาณก็หกภาษาก็หกพอภาษาหกลงมาถึงเวทนาก็หกพอมาเวทนาแล้วก็ลงต่อด้วยตัณหาก็หกเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้ทั้งนั้นเลยเพราะตัณหานะฮะก็มาเรื่องแทนที่จะเป็นพกก็เป็นเจตนาไปก็ได้ใช่ไหม<ช>ถ้าเป็น<า>เจตนาหนอกั้นก็ต่อวิตกกับวิจารณ์เท่านั้นเองกับอะไร กอ็อ่าก็สถ า, านะตันหาวิโตวิจารทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะสูตรนี้เนี่ยน่าจดจํามไม่มากเลยแล้วก็จะเอาไปใช้ได้อีกเยอะเลยในสไลสันนวะเขาใช้รูกความแบบเนี้แมันก็จะทําให้จํามแม่นเลยอริยสัจที่ไหนที่แสดงอริยสัจเนี่ยนะเป็นธรรมะกลุ่มนี้ทั้งหมดคือธรรมะหกสิบนะเป็นธรรมะรรมที่ที่เป็นพื้นฐานที่มาตรฐานที่ใช้ตลอดกาลเนี่ยนะออกไหม ม, มีประโยชน์มากนะนนกนกคือคือบาง <ไป S 1> ทีเนี่ยนะถ้าเราจะจําื้อเนี่ยมันก็อาจจะจํายากนิดหนึ่งแต่ถ้าถ้าหากว่าเราจำปฏิจจมุบาทได้ใช่ไหมเราก็เราก็าจับตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าพื้นฐานการทรงจําธรรมะเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นเป็นความรู้ชั้นพื้นฐานนะนะที่ที่จะไปวิเคราะห์ะในด้านอื่นๆต่อไป แล้วก็ระบบกว้างๆเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนอยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะโดยเฉพาะธรรมะกลมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะทั้งอนุโลมปฏิโลมนีกค็คือคือควรควรจะมาสาธยายบ่อยๆถ้าจำได้ก็ควรจะสาธยายควรจะเอามาเติกบ่อยๆถือว่าได้ใช้บ่อยใช้ตลอดเลยทั้งอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านั้นลงเป็นอริยสัจเนี่ยนะความรู้อันนี้ใช้ตลอดในการเอามาอ่านธรรมะเหล่านี้ ถ้าไม่มีความรู้เหล่านั้นนะเราเห็นพยัญชนะ ก, ก็ธรรมดาพระธรรมก็ว่าพระธรรมไปจะไม่รู้ว่าไปยังไงมายังไงเนี่ยนะหรือว่าสัมพันธ์พ่วงเชื่อมโยงถึงกันยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> พูดย้อนมาที่เรื่องคารวะหกอีกครั้งหนึ่งนะพระหลายรูปที่ท่านมาถามว่าเหตุปัจจัยอะไรเนอททำให้ศาสนาเสื่อมอย่างเช่นพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวากัสปะหมดไปจากโลกเพราะอะไร ก็เท่ากับบอกว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทุกวันเนี่ยนะถ้าจะหมดหมดเพราะอะไรก็ บ, บอกในหข้อนี้แหละหนึ่งไม่เคารพในพระศาสดาสองไม่เคารพในพระธรรมสามไม่เคารพในพระสงฆ์สี่ไม่เคารพในศีขาห้ามไม่เคารพในปฏิสัณฐความไม่ประมาทปฏิสันทาน6อย่างนี่คือทําเหตุทําให้ศาสนาเสื่อมกลุ่มไหนก็ตามนะถ้าถ้าจะดูว่าหายจากไติกขาเพราะไม่มีธรรมะหข้อนี้ ก็ก็ก็ไปตรวจได้เลยกลุ่มที่เสื่อมเสืมทั้งหมดเนี่ยคือขาดธรรมะหข้อเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าทั้งหข้อนี้ก็เป็นธรรมะที่สัมพันธ์กันตลอดสายถ้าไม่เคารพในพระพุทธก็ชื่อว่าไม่เคารพในพระธรรมถ้าไม่เคารพในพระธรรมก็ชื่อว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ถ้าไม่เคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่เคารพในศีขาถ้าไม่เคารพในศีขาก็ชื่อว่าไม่เคารพในสมาธิเนี่ยนะถ้าไม่เคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาท นนะความไม่ประมาทก็คืออยู่แบบไม่ประมาทเน้นว่าการทํากุศลอย่างต่อเนื่องเธอเมื่อไหร่ที่เพลินในการมาคุณ5ตอนนั้นชื่อว่าประมาทขนาไหนทํากุศลประเภทหยุดห ย, ดย่อนๆเนี่ยนะทำๆเลิกๆอันนั้นก็เรียกว่าประมาททากุศลไม่ต่อเนื่องก็เรียกว่าประมาทแล้วก็ปฏิสันถานก็คือทั้งธรรมะปฏิสัมถานและอมิตรปฏิสันพานถ้าขาดพวกนี้ก็นี่เป็นเหตุให้าศาสนาเสื่อมทุกลุ่มเนี่ยที่เสื่อมเสื่อมเพราะเหตุนี้ เสื่อมจากปลาสิกขานหตรงนี้นะครับเขาจะให้เรปฏิสันฐานในตอนนี้มันไม่ค่อยชัดเจนคือถ้ามไม่เคารพในพระพุทธศาสนาเนี่ยชัดเจนแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ทีเดียวที่ว่าพุทธบริษัทไม่ไม่เคารพพระเจ้าแผงนะครับก็ไม่เคารพไม่เคารพโดยตรงหรือว่าโดยโดยอ้อมไม่เคารพโดยตรงอ่ะเช่นเดินผ่านพระเจดีย์นะครับตัวอย่างสมัยนี้นะไม่เคารพพระเจดีย์เลย เนี่ยนะตอนหน้าพระพุทธรูปก็ไม่รู้สึกว่าต้องยำเกรงต่ออะไรทั้งหลายแหละนะเนี่ยนะเส้นใส่รองเท้ายืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ไม่กราบไม่วาไม่อะไรไม่ไม่ทำพุทธบูชาไม่เจริญกุศลอะไรเลยอันนี้ก็มีอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ชื่อว่าไม่เคารพในพระพุทธไม่เคารพในพระธรรมก็คือไม่ตั้งใจฟังแม้ฟังก็ไม่ฟังสนทนากันแทรกหลับฟังพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าไม่เคารพในพระธรรม ถ้าไม่เคารพนพระสงฆ์เขาบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่ไม่เคารพนาพิสูรรูปหนึ่งก็นับเนื่องในไม่เคารพในพระสงฆ์เหมือนกันเนี่ยนะส่วนไม่เคารพในศึกขาก็คือไม่บําเพ็ญไตรศึกขาก็ชื่อว่าไม่เคารพนรายไตรศึกขาทีนี้ถ้าไม่เคารพนสมาธิก็ปฏิเสธสมาธิอย่างเงี้ยนะที่มันหยาบชัดเจนมากๆก็คือปฏิเสธเลยอย่างเงี้เป็นต้นก็เรียกว่าไม่เคารพเนี่ยนะหรือบําเพ็ญแต่บําเพ็ญแบ บ, บ สักแต่ว่าทำไปอันนี้ก็ชื่อว่าไม่กรรพบด้วยส่วนความไม่ประมาทก็เหมือนกัน น, นไม่ไม่เจริญกุศลแบบไม่ได้ตั้งใจเจริญอะไรเลยนะสักแต่ว่าทำทำไปอย่างนั้นก็ชื่อว่าประมาทละเนี่ยนะขับรถแบบประมาทก็ขับไปนะแต่ดูโน่นดูนี่เปิดอะไรไปด้วยเนี่ยนะคล้ายๆแบบนี้ก็เรียกว่าขับด้วยความประมาทใช่ไหม น, นี่นี่ก็เหมือนกันว่าไงาจนทรผมว่าเชือันศาสนาเรา ก็นี่ในในหกหัวข้อเนี่ยนะคือคือแม้กระทั่งทั้งทั้งหกหัวข้อถ้าหกหัวข้อนี้สัมพันธ์กันทั้งหข้อเมื่อสัมพันธ์กันทั้งหข้อเราจะไปโทษข้อใดข้อหนึ่งก็ยากเนี่ยนะก็ก็ยากเหมือนกันที่คุณมาว่าเช่นว่า ปฏิสันฐานถ้าเราไม่ทราบถึงว่ามันแยกออกเป็น2 อ, อย่างคืออมิตกั บ, กบธรรมะเราก็าจะมองไม่ได้ชัด<ม>แต่ ว, ว่าพอมาศึกษาว่าออด้วยทั้งอามิตด้วยทั้งธรรมะด้วยเนี่ยเราจะเห็นความสําคัญของ<ม>ปฏิสันฐานจนตอนแม้กระทั่งเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้าศาสนาเสื่อมก็คื อ, อ, อผู้ที่เป็นอาจารย์ไม่สงเคราะห์ลูกศิษย์ด้วยการสงเคราะห์สองอย่าง<ม>คือไม่สงเคราะห์ด้วยอามิตรอย่างหนึ่งไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมอย่างหนึ่ง เนี่ยนะเช่นถ้าไม่สงเคราะห์ด้วยมิตรก็เป็นเหตุให้เขาเวียนไปสิกขาลาเพศไปอะไรไปที่ที่คล้ายๆก็ว่าอยู่ไม่ได้ปัจจัย4มันขาดแคลนอันนี้ก็เสื่อมอย่างหนึ่งเสื่อมอย่างหนึ่งก็อาจจะให้ปัจจัย4ี่แต่ก็ขาดการสั่งสอนพระธรรมก็ก็เสื่อมทีนี้ถ้าพระภิกษุที่หันเข้ามาทําอาชีพเนี่ยนะท า, ท, าทางทางธรรมะเนี่ยนะก็เรียกว่าตั้งลงลงทุนมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วถ้าท่านขาดในสิ่งเหล่านี้นะ่ยนะขาดทั้งธรรมะ ขาทั้งอมิตรและท่านจะไปไปปฏิสันฐานกับใครอีกต่อไปได้เพราะพ่ อ, พ อ, อไร่พาะท่านเองก็ไม่ได้รับธรรมะปฏิสันถานมาจากผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจะจะด้วยเหตุผลด้า น, นอื่นๆเช่นที่ท่านไม่ได้รับปฏิสันถานด้วยเหตุผลเพราะท่านขาดความเคารพในหลายๆด้านเขาเออก็เลยไม่ปฏิสันฐานให้อย่างนั้นนะทีนี้ท่านเหล่านั้นไม่มีแต่ไปมีอํานาจคนขึ้นเยอะอะไรเยอะมันก็ไปอย่างงี้เรื่อยมันก็หมดหมดหมดหม ด, หมดไป แต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะไปตําหนิใครมันก็ยากที่จะโยนไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบนะคนนั้นผิดคนนี้ถูกแต่ว่าตามหลักพุทธศาสนาก็คือแสดงเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมนะทุกคนก็เฉพาะตั ว, วก็ต้องตื่นภัยเฉพาะตัวก่อนเนี่ยนะถ้าหลายๆคนก็มองแหมนั่นแหละจะเป็นสังฆราชเลยนั่นแหละจะไปแก้ตรงโน้น <c oughs> คือถ้าขึ้นเป็นแล้วจริงๆแล้วจะรู้ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี ถึงจะไปมีอำนาจนะมีแต่หัวเนะี่ยมือไม่ทํามือเป็น อ, อมภพฤกอมภพาดขากับพิการเงี้ยหัวจะไปทําอะไรได้เห็นไหมอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะเราก็คงต้องเน้นให้ทํำยังไงที่เราจะได้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องตามหลักความไม่ประมาททั้งหมดเหล่านี้นไแต่ถ้าเราจะยกปัญหาทั้งหมดไปให้คนอื่นคงยากเห็นไหมในข้อปฏิสังฐารนี่นะเอ่อทั้งสองกรณีคือทั้งอาวิชด้วยธรรมะด้วยนะี่หาว่าเราจะไปเน้นอย่างหนึ่งอย่างใดนี่ <S <S เสีย เพื่อนต้องไปควบคู่กันควบคู่กันทั้งอมิด้วยทั้งธรรมะด้วยก็ก็เป็นเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นนะขาดปฏิสันฐานถ้าสมมตินะพระภิกษุไปหาไปมาหาสู่กันถ้าไปวัดโน้นถ้าอมิตรไม่มีเช่นไม่ให้ที่พักอ่ะไปนอนตรงไหนหรือไม่มีอาหารให้ฉันเลยจะไปไปอยู่ยังไงไม่แนะนำไม่ต้อนรับไม่ประพฤติวัด ไม่เอ๊ะท่านห้องน้ําอยู่ตรงนั้นบินทบาทสายนั้นฉันเวลานี้ที่นี่มีกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้อมิตรก่อนนะแล้วก็ไม่มีการสนทนาธรรมมากกันเลยอะไรกันเลยมันก็หมดกันมันก็หมดเนื้ อ, อาการเหล่านี้นะทีนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปมาหาสู่กันก็เน้นว่าสายใครก็สายใครแล้วกันนในรูปแบบตอนนี้ก็เรียกว่าสายใครก็คุยเป็นสายๆกันเห็นไนะนานๆก็ก็คงหมดสายก็เหลือแต่ด้วนๆแล้วกันนี่ นเว่าอมารปแล้วเรื่องปฏิสันฐานไม่มีเลยมรู้ทีาไม่ปฏิสันานาานไม่มีอนยคือเพราะตอนนี้เราก็นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากเนี่ยพอมาถึงระดับนี้แล้วนะก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนกันน่าจะเป็นอย่างน ก็เป็นศบด้วยกันด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่แม้แต่ไปว่าแต่ต่อดดีด้วยกันวนคะราวว่าก็ควรจะมีที่รเมื่อไปในอาวัตในอาวานะับนะในเรื่องของปฏิสาาันฐันธ์ก็ก็ก็มีก็ไม่มียากคือถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบอันนี้คุยกันแบบธรรมดาอันนี้นี่พูดคุยกันทั่วไปนะ ก็ก็อย่างว่าแค่ว่าสัมมาเนนท่านมาปรึกษาว่าผมอยากจะไปอยู่ศึกษาด้วยเรียนด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ไม่รู้จะปฏิสันถานท่านยังไงเราก็ฟังรับฟังแต่อย่างเดียวอย่างเงี้ยคือทําให้เห็นว่าคือคือสมมุตินะคือท่านท่านก็ต้องการแบบการต้อนรับจากเราเราเองก็ไม่มีไม่รู้จะต้อนรับท่านยังไงอย่างนั้นเถอะคืออันนี้ก็นับอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วท่านจะไปศึกษากันยังไงต่อไปเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดถึงทาฐ า, านะนั้นนั้นถ้าเราไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะ เราจะไปเรียนยังไงต่อไปถ้าว่าคล้ายๆกับว่าเขาก็อยากจะศึกษาอยากจะเรียนอยากจะปฏิบัติแต่ไม่มีที่เรียนที่ปฏิบัติเน่เราจะไปเรียนจะไปปฏิบัติยังไงแล้วเราจะรู้กี่แห่งเราจะไปยังไงอะไรยังไงต่อไปเนี่ยนะก็นับว่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครัโดยโดยรวมๆของยุคนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีข้อยกเว้นอย่างบางกรณีอย่างที่ท่านจำว่าคือถ้าหากมันไม่รองใช่ไหมก็เหตุผลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากคํานี้ เนี่ยนะเกิดจากคำนี้ว่าคือคื อ, คอส่วนใหญ่นะทุกคนที่ปฏิเสธทุกเรื่องเช่นไม่ให้ที่พักเนื่องจากว่าไม่พร้อมจะให้ที่พักเนี่ยนะไม่พร้อมอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะแต่สรุปว่าไม่พร้อมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้อ่าความห่างเหินต่อไปมันก็ค่อนข้างเสื่อมเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าขอที่พักไม่ให้ที่พักไอ้การที่จะสนทนาธรรมต่อไปเนี่ยนะซึ่งมันละเอียดกว่าที่พักมันก็ยากที่จะคุยกันรู้เรื่องว่า ง, งั้นเถอะ <c oughs> คือเหตุผลเหล่านี้ทำให้รู้ว่าพระาศาสนาคือโดยเฉพาะไตรสิกขาก็คงหมดไปจากโลกเนี่ยนะโดยด้วยเหตุผลทั่วทั่วไปแต่ของมาก็เชื่อแบบนี้มาเป็น1ิิปีอยู่แล้วว่าว่าหมดแน่เนี่ยนะแ <c oughs> ม้กระทั่งอย่างของเราที่มาศึกษาการเพียงแต่ว่ามาศึกษาปัญหาที่มันกำลังจะหมดพอดีเหมือนกับต้นไม้มันกำลังเฉาตายทำไมมันจึงเฉาตายอ้าวนั่นก็มาแรงเจาะตรงนี้ก็มาแรงกัดเนี่ยนะ เหมือนเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาวาดภาพเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็มีพวกสัตว์เนี่ยไปจิกรากกันเต็มไปหมดเลยแล้วต้นไม้ต้นนี้ตายแนย่ก็ได้พยากรเช่นนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมก็คนข้างในเราเองก็ความเข้าใจในพระธรรมก็ไม่มีมากนักแล้วนอกศาสนาเขาก็ไม่ได้หวังดีอะไรเห็นไหมนอกศาสนาเขาไม่ได้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาแล้วคนในพระพุทธศาสนาก็ละลวมเนี่ยนะทั้งขาดความเข้าใจในพระธรรมคําสอน ความเคารพในพระธรรมในพระรัตนตรัยก็ไม่ค่อยมีเนี่ยนะคือถ้าที่ที่กล่าวว่าไม่ค่อยมีเนี่ยสมมติถ้าใครกล่าวเป็นธรรมเป็นวินัยเนี่ยเขาจะอนุโมทนาไหมถ้าไม่อนุโมทนาก็ถือว่ า, ถ, วาถือว่าตําหนีพระธรรมนั่นนะถ้าสมมติถ้าใครกล่าวถูกเนี่ยนะสมมติขอธรรมาบอกว่าอา้าวภิสูจในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพในภาษาสดาพระธรรมพระสงฆ์ในศีกขาในความไม่ประมาท ไม่ปฏิสันธ์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมนะเป็นเหตุแห่งอบายทุกติวินิบาศสําหรับคนนั้นด้วยแล้วก็ถ้าทําตัวกันอย่างนี้น ะ, ะาศาสนาจะเสื่อมด้วยพุ่งออกมาเลยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนี้เนะี่ยคนนี้เรียกว่าปฏิเสธศาสนาปฏิเสธคําสอนแล้วจะให้คําสอนคําสอนนี้จะอยู่ได้ยังไงละ่ะ mm hmm. เมื่อไม่ปฏิบัติตามคําสอนอันนี้แล้วศาสนาส่วนนี้ก็เสื่อมไปก่อนอันดับแรกนไมันก็จะหมดไปเรื่อยๆด้วยอาการอย่างนี้ อ๋อถ้าศาสนาอื่นไม่ต้องห่วงคือปกติของโลกไม่มีพระพุทธศาสนาคือถ้าไม่รับที่ใดก็ต้องลัที่หนึ่งอยู่ดีคือธรรมดาของคนน่ะจะอยู่โดยปราศจากทิฏฐิหายากธรรมชาติของมนุษย์นะที่อยู่แบบไม่มีทิฏฐิหายากจะต้องทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งอยู่ดีที่อยู่โดยไม่มีทิฏฐิทิฏฐิวิปยุทธตลอดไม่เป็นไปไม่ได้เว้นแต่พระโสดาบันเท่านั้นที่จะมีทิฏฐิวิปยุทธตลอด แต่ถ้าปุถุชนทั่วๆไปก็จะเข้าวิปสัมปยุตจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเริ่มไปเรื่อยมันก็ค่อยๆลามไปเรื่อยๆก็จะเป็นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมพอมาถึงตอนนี้ก็ก็จําแต่พุทธพจน์ว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเธอมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเธอวังนั้นก็ไม่รู้จะไปหวังเอาอยัางไงอีก อันนี้ก็คงสมควรกับเวลาแล้วเนาะ